ท่านฟังที่เคารพคะเรามาถึงช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันอีกดิฉันสังเกตนะคะว่าระยะหลังเอ๊ทำไมเวลาดูเหมือนกับสั้นลงหรือว่าการสนทนาจะเลิดเพลินมีประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่า อย่างไรเสียก็ยังมีเวลาที่จะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำโดยพระอาจารย์ภยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีจะเป็นผู้เปิดธรรมค่ะนมส ก, กรรมค่ะท่านค ะ, ะอาจรย์ฟานวันนี้สงสัยท่านต้องตอบคำถามหลายคำถามหน่อยอเพราะฉะนั้นเริ่มเลยก่อนจะตอบคำถามเนี่ยจะมาจะมีประเด็นนิดหนึ่งคือว่าถ้าเราเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้าการตอบคำถามของเราเนี่ยจะนํามาซึ่งความเผลอันนี้ไม่ใช่<อ>ประเด็นที่พระพุทธเจ้าใช้คำเนี่ยจะใช้คําว่าอาหา ร, ร่าเริงในธรรมเพราะฉะนั้นถ้า <ขอ S 2> เราจะบอกว<ท>่าเวลาสั้นเนี่ยเพราะว่าเรามีความร่าเริงในธรรมเนี่ยทำให้ดูเหมือนเวลามันสั้นลงอันนี้เป็นพุทธวจนะเนื่องจากรายการเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นที่จะให้ท่าน <c oughs> ได้รู้จักพุธทธวจนะและนำเอามาใช้ใชในะคะพระอาจารย์ไพบุญก็เลยเป็นห่วง ว่าให้ใช้คําว่าร่าเริงในธรรม<ช>ดิฉันจะท่องไว้เลยนะคะร่าเริงในธรรมร่าเริงในธรรม<ช>เพราะว่าถ้าเพลินแล้วเป็นทุกข์อั น, น<ช>เป็นพุทธเจนาอีกด้วยถ้าอาจารย์ค้งงั้นเรามาร่าเริงในธรรมกันต่อเลยนะคะต่อเลยคุณปิ่มคะถามเรื่องหายใจบอกว่าเวลาหายใจนั่งนั่งสมาธิเนี่ยถ้าถูกต้องหายใจเข้าแล้วท้องต้องพองหรือยุบคะกําลังเถียนกันอยู่การหายใจเนี่ย ท้องพองหรือยุบเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าหายใจแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอเข้าสู่ชนาชนะอสงัดใช่ปะคู่ขาเข้ามาโดยรอบหายใจเข้าดํารงสติมั่นดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเราพิจารณาแค่นี้นะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ประเด็นของการหายใจเข้าหายใจออกของอานาปานสติเนี่ยคือการมีสติอยู่ด้านหน้า <Okay. S 1> จะในโพรงจมูกด้านในก็ได้โพรงจมูกตรงกลางก็ได้โพรงจมูกด้านนอกก็ได้ตรงบริเวณที่หนวดมีหนวดก็ได้ใต้ใต้โพรงจมูกระหว่างริมฝีปากด้านบนก็ได้ <Okay. S 1> ตรงไหนรู้สึกลมเอาสติตั้งไว้ได้ก็เอาตรงนั้นแหละจะท้องพองหรือท้องยุบไม่สําคัญท้องพองก็ได้ท้องยุบก็ได้นะแต่มีสติไหม ก็จริงค่ะแต่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปของท่านโทษนะคะหายใจเข้าเนี่ยท้องก็พองอยู่แล้วนะคะคือโดยธรรมชาติของการหายใจเพราะการหายใจเข้าคือการสูดเอาอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีมวลอากาศเนี่ยท้องก็ต้องพองพองมากพองน้อยต้องพองกั น, นะะทั้งคะทีนี้อาจมาพอจะเข้าใจอยู่เพราะว่าเคยฝึกหายใจสําหรับพวกนักร้องหรือว่านักดําน้ำเนี่ยเขาจะมีวิธีการหายใจว่าอกต้องพองก่อนท้องยุบก่อนแล้วท้องค่อยพอง Oh. ลักษณะอย่างนี้นะจะมีแพทเทิร์นของเขาค่ะทีนี้การหายใจแบบอานาปานาสติเนี่ยคือการเอาสติไม่ได้เอาท้อง mm. พองท้องยุบหรือเอาอกขึ้นอกลงก่อนอันนี้เป็นอีกประเด็นงั้นเข้าใจแล้วคะ่ะหมายความว่าท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะพองที่ท้องหรือพองที่ปอดนะคะเอาเป็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไปเลยเราศึกษาจากพุทธวจนะบอก ใ, ให้มีสติกับการหายใจเข้าห า, หายใจออกอสติเฉพาะหน้าตรงไหนก็ได้นะในโพรงจมูกด้านในจมูกตรงบริเวณหนวดได้ทั้งนั้น ขอให้มีสติ<ะ>จบเลยจบเลยนะคะคุณปิม่มคุณปิ่มหรือคุณบิ่มขออภัยนะคะพอดีเขียนมาทั้งสองแบบส่วนคําถามถัดไปกับท่านคะนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่มไม่สงบทําอย่างไรดีคะทีนี้ต้องมาดูว่าคําว่าบางคนเนี่ยนั่งสมาธิได้ได้มากล่าวดแต่มาหลายครั้งว่านั่งสมาธิมาหลายปีเลยแต่จิตยังคิดนูน่นคิดนี่ไม่สงบสติ ถามไปถามมา ค, ν, คิดนู่นคิดนี่ก็คิดเรื่องกูบาอาจารย์บ้างคิดเรื่องที่ตัวเองไปทําทานที่ น, นี่ที่นั่นบ้างาการไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่เอาเนี่มันคิดเรื่องดีทั้งนั้นนี่ค่ะเอาคิดเรื่องดีเนี่ยก็คือวิตกวิจารณ์ที่เป็น <alah. S 1> ฝ่ายกุศลถ้าคุณมีวิตกมีวิจารณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลนะแล้วก็ไม่คิดเรื่องที่ไม่เป็นกุศลเลยนะคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลหมดมีปีติสุขอันเกิดจากสิ่งนั้นเป็นเหตุเอาอันเนี้ยคือฐานกั้นที่หนึ่งแล้วอ้าวเหรอคะอ้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องที่เป็นกุศลมีวิตกนะวิตกคือความคิดนะไม่ใช่วิตกกังวล น, น ะ, ะวิตกคือความคิดวิจารณคือความคิดที่ลึกเข้าไปนะแอพพลายตอสความคิดที่ลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดําริมีความคิดอยู่ในเรื่องที่เป็นบวกเรื่องที่เป็นกุศลทั้งหลายแหละนี่ดีแล้วไม่ไเรียกว่าฟุงา้งซ่านเพราะว่าคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือฟุง้งซ่านไปในเรื่องที่เป็นลบ เฮ้คนนี้มันจมาทำรายเราไหมเฮ้เราไปทำบาปตรงนี้ไว้เขาจะเป็นยังไงนี่คือฟุ้งซ่านค่ะเท่าไาร่คะเงั้นเดี๋ยวขอถามอีกอย่างหนึง่งว่าแล้วถ้าเกิดฟุ้งเข้ามาไม่ใช่เรื่องดีล่ะคะเราจะเรียกมิตกวิจารไหมคะไม่ใช่อันนี้คือจิตออกจากสมาธิละอ๋อเหรอคะถ้าเรื่องไม่ดีคือจิตออกจากสมาธิถูกต้องเพราะว่าจิตจิตที่มีสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิเนี่ยคือจิตที่ไม่มีความคิดที่ไม่ดีเลยสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอ๋อ แต่ถ้ามีกุศลคิดเรื่องดีนี่ถือว่าจิตไม่ได้ออกจากสมาธิถูกต้องจิตอยู่ในสมาธิอยู่คิดเรื่องไปทําทานคิดเรื่องไปทําบุญคิดเรื่องการทําความดีของเราเราได้เคยปฏิบัติพ่อแม่อย่างนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยนี่ไม่ใช่ความเพลินเหรอคะไม่ใช่เพลินไปกับก็คือยังเห็นยังเห็นสิ่งเหล่านั้นสัญญาใช่ไหมในอดีตปัจจุบันก็ตามนะยังยึดสัญญานั้นอยู่ใช่ยังมีความเพลินอยู่จําเป็นไหมคะว่าถ้าหาก เ, เคยเข้าใจมาอย่างนี้นะคะว่าขณะที่เราทําสมาธิเราจิตจดจ่อมีสติอยู่กับการหายใจเข้าและออกอันนี้ตามคําของพระพุทธองค์เนี่ยนะค ะ, มมะเมื่อมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิตกวิจารณ์คือการคิดในทางที่ดีหรือว่าจะเป็นการที่จิตออกจากสมาธิคือคิดในทางที่ไม่ดีแล้วต้องวางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งคู่ถูกต้องต้องวางคือ ที่ที่พูดถึงความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อต้องการแยกประเด็นก่อนว่าความคิดที่ดีก็ยังดีนะยังเรียกว่าจิตอยู่ในสมาธิแต่มีสมาธิที่ลึกขึ้นไปอยู่คือไม่ต้องคิดแรงสิน้นอันนี้เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งกว่าเพราะนั้นก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่า<ม>ที่ท่านว่าจิตฟุ้งซ่านนั้นนะเป็นคิดแบบไหนทีนี้คือว่าการที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าเรา คิดเรื่องนั้นเนี่ยแล้วเราเราสามารถเห็นมันโดยความเป็นอนัตตาได้<ะ>อันนี้ไม่เรียกว่าเพลินถ้าเราเอายังเห็นว่าแหมบุญนี่ก็ของเราแหมอันนี้ทานี่ก็เราทำอันเนี้ยเพินแต่ถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่เรียกว่าเพื่งองเห็นว่านั้น ไ, ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของอเรา<ะ>เรียกว่าอันนั้นมีสติอยู่ ถ้าจัง<ม>ค่ะอย่างนี้วกว่าจะไปถึงอนัตตาเนี่ยจะต้องผ่านการเห็นอันนีจังไม่เที่ยงเห็นทุ ก, ก่อนไหมคะหรือว่ามันแยกกันเห็นได้พระุทธเจาบอกว่าการอบรมให้มากซึ่งอันนจ้จัสัญญาเนี่ยอนัตตาสัญญาก็จะมันคงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนีไอ้การเห็นความเป็นโดยความเป็นไม่ใช่ตัวตนเนี่ยจะมันคงดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในขณะที่จิตฟุง้งซ่านแต่เป็นการที่เห็นความไม่เที่ยงโอ้นี่เป็นประโยชน์มาก เรื่องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพระเจ้าใช่พระเจ้าพูดในเรื่องธรรมนุปัสสนสติรีปทานน ะ, ะว่าถ้าเธอมีสติอยู่ในนิวรณ์มีสติอยู่ในความฟุ้งซ่านก็ได้ความฟุ้งซ่านนี่ไม่ดีน ะ, ะหรือจะมีสติอยู่ในความคิดที่ดีก็ได้อันเนี้ยดีวางตรงนี้ได้แหมเข้ามาผลได้จะเป็นการที่วิปัสสนากําลังเข้ามาเยือนแล้วหรือเปล่าคะคือเหมือนกับว่าเราทําสมถะอยู่ใช่ไหมคะใช่ทาให้จิตมีสมาธิอแล้วพอดีมีเรื่อง ผ่านเข้ามาแล้วเราก็เห็นอานิจจังของเขาเห็นอนัตตาของเขาใช่อันนี้เท่ากับเรากําลังใคร่ควรธรรมะถูกต้องค่ะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับวางได้นี่แหละคือวิปัสสนาคนจะวางได้เนี่ยต้องเบื่อหน่ายก่อนเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่เบื่อเซ็งนะเบื่อหน่ายก่อนคนจะเบื่อหน่ายได้ต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนคนจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตต้องเป็นสมาธิก่อนพอจิตเป็นสมาธิเบื่อหน่ายเห็นตามที่เป็นจริงเบื่อหน่ายวางได้วิปัสสนาแล้ว ว่างได้ขณะนั้นเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าวิปัสนาและสมถะและวิปัสนาเนี่ยก็เป็นธรรมที่เคียงขู่กันไป ค, คนที่ทําได้ท่านอาจารย์คะทีนี้แบบบางคนโอโ้โหฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าอาจจะเพิ่งฟังครั้งเดียวยังงงงอยู่แล้วไม่มีโอกาสจะมาฟังกันบ่อยๆพูดเป็นหลักการไปเลยได้ไหมว่าก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกของท่านและหากว่ามีอะไรผ่านเข้ามาก็วางเขาอืม ได้แค่นี้ได้เหมนกันใช่ไหมคะก็คือเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยไปด้วยกันล ะ, ะจังหวะที่เราอยู่ในมีสติอยู่ในลมหายใจนั่นเป็นสมถะจังหวะที่วางเข้าได้นั่นเป็นวิปัสสนาทําไปคู่กันทําไปคู่กันนะทั้งวิปัสสนาและสมถะก็ได้ค่ะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความก้าวหน้านะคะที่ฉันเข้าใจว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยบางทีเราจะพัฒนาความรู้ มากขึ้นเมื่อมีการมาปุจชาวิปัสนาหรือมาตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ความสว่างกระจ่างมากยิ่งขึ้นมีคำถามอื่นอีกคท่านค ะ, อ, ะอันนี้บอกว่ายากนิดหนึ่งนะคะสำหรับคำถามบอกแม้ทมทั้งหลายในภายในที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมะวิจยะสัมโพธชงแม้ทำทั้งหลายในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญา ก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงสงสัยว่าทำภายนอกทำภายในคืออะไร<อ>ใช่อายตนะภายนอกภายในหรือไม่อของคุณนัดค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากคือเอาพุทธเจ้าชนะมาถามค่ ะ, ะก็คือการเห็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยก็คือการเห็นธรม ร, ร, นธรมใคร่ครวนธรรมใคร้ครวญธรรมคือการเกิดดับของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะไรบ้างเกิดดับถ้าข้างในเกิดดับ เห็นข้างในเกิดดับอะไรเนาะมันอยู right. ่ข้างในอายตนาภายในก็ได้รูปอันเป็นภายในก็ได้ธาตุทั้ง4อันเป็นภายในก็ได้เวทนาอันเป็นภายในก็ได้สัญญาสังขารวิญญาอันเป็นภายในก็ได้ได้หมดเลยค่ะนี่คือทำอันเป็นภายในทํามันเป็นภายนอกคืออะไรนะก็คือธาตุทั้ง4ภายนอกก็ได้บ้านรถภายนอกเกิดดับได้นะเอ่อรูปต่างๆภายนอกเกิดดับได้อายตนาภายนอกเกิดดับได้เห็นอย่างเงี้ยนี่คือทําภายนอกเพราะนี่คือกว้างขวางมาก การที่จะทําธรรมวิจยะสัมโพชงนี้ประเด็นที่จะต้องทราบตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าจิตที่หดหูเนี่ยจิตที่หดหูเนี่ยควรจะมาเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงค์จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ควรจะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยจะทําให้จิตสงบได้ยากเปรียบเสมือนถ้าเราต้องการดับไฟเนี่ยแต่เอา โคแห้งเอามูลโคแห้งเอาไปใส่เอาไม้แห้งใส่พัดลมเข้าไปไฟจะไม่ยอมดับลงลักษณะนี้แล้วนนลจิตฟุ้งซ่านต้องทําอะไรคะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจะต้องเจริญสิ่งที่เรียกว่าปัจติสัมโพชงอุเบกคาสัมโพชงหรือสมาธิสัมโพชงเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านสามารถทําให้สงบได้ด้วยธรรมนั้นค่ะนะคะอันนี้ก็กระจายกันไปอีกคําถามหนึ่งมีคํากล่าวที่ว่าคนดีเท่านั้นที่ยกย่องโจรโจรเท่านั้น ที่ยกย่องโจรแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าคนไหนดีคนไหนโจรคะคนดีมีคำกล่าวที่ว่าคนดีเท่านั้นยกย่องคนดีโจรเท่านั้นยกย่องโจรใช่ไหมค่ะคุณยอดกระมนค่ ะ, ะจะตัดสินอย่างไรว่าคนไหนดีคนไหนโจรดูที่ศีล น, นะถ้าเขาศีลดีนะก็คนนี้ก็เป็นคนดนะีทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าข้อความปรารเรื่อศีลถ้าเราไปพูดกับคนมีศีลเนี่ย คนที่มีศีลเนี่ยเขาจะเกิดปิติและประาโมทเพ<ม>ราะว่าศีลสัม <CE> ปทาของเขาเพราะเขามีศ <CE> ีลเขาจึงเกิดปิติและปราโมทจึงข้อความที่ปรารบเรื่องศีลจึงเป็นข้อความที่พอใจของคนที่มีศีลแต่ข้อความที่ปรารบเรื่องศีลเนี่ยพอไปพูดกับคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะไม่เกิดปิติปราโมทแต่จะเกิดความขัดเคืองขุ่นหมองความกระด้าน ก, น ก, ก, กระเรืองกัดฟัดกระเฟียดเพราะว่าตัวเองไม่มีศีล ก็เลยข้อความที่ปลารบเรื่องศีนจึงเป็นข้อความที่ชั่วสําหรับคนที่ไม่มีศสินนี่พระเจ้าตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะพูดกับใครพูดเรื่องข้อความเรื่องสินเนี่ยไม่ใช่พูดกับทุกคนได้ก็ต้องพูดกับคนที่มีศีลเท่านั้นประเด็นก็คือประเด็นก็คือพระเจ้ายังพูดอีกว่าเครื่องหมายของคนดีเครื่องอ้างอิงของคนดีคนดีมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงคือการพูดดีคิดดีทําดี ลือาบอกว่าถ้าคนดีไม่มีเครื่องหมาย3มอย่างนี้นะเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดีค่ะบัณฑิตจะไม่ทราบได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดดีคิดดีทําดีคนนั้นแหะคนดีคือหมายถึงว่าต้องพร้อมกันไปทั้งคิดทั้งพูดทั้งทําก็คือทําอันไหนมากก็จะเป็นคนดีมากขึ้นไปตามลำดับค่ะแล้วก็จะต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยถูกไหมคะถูกต้องอย่างเรื่องเรื่องของศีลเนี่ยก็คือจะคุมกายกับวาจาได้ แต่เรื่องของใจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่พูดถึงเรื่องเทวดาเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรากระทําอะไรอยู่แม้อยู่แต่ว่าคนเดียวนะอยู่คนเดียวเนี่ยสมมติเราทําอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการกระทําที่ลับนะเพราะว่าเทวดาสามารถมาเห็นได้แต่การกระทําที่ลับหลังเนี่ยคือคิดข้างในเพราะฉะนั้นการกระทําทางใจเนี่ยคือการกระทํา รับหลังการกระทำทางกายกับวาจาถึงแม้จะอยู่คนเดียวหรือว่าหลายคนก็เป็นการกระทําที่ต่อหน้าในส่วนคิดดีนี่สือว่เป็นการกระทํารับหลังใช่นะคะแล้วก็ต้องพิจารณาต้องใคร่ครวญแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าไปดูคนอื่นบางครั้งมันดูยากบางคนมีสองหน้าสามหน้าหรือว่าใช่ไหมค ะ, ะดีที่สุดคือพัฒนาตัวเองก่อนใช่ใช่ะคะก็วันนี้ เวลาดีเลยค่ ะ, ะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณพระจันทร์ไผบูร์อภิบุญโญวัดปา<ม>่าดอนหายโศกน้องหานอุดรธานีไว้ณโอกาสนี้นะค ะ, ะนมัส ก, การกับ<ป>ท่านคะท่านฟังค่ารายการของเรานะคะสันนิสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอร้และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แนวคิดหลักของเรา ก็คือทําทให้ท่านฟังนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษหมายถึงว่าคําสอนของพระพุทธองค์ที่เชื่อว่าออกมาจากพระโอษของพระพุทธองค์เป็นธรรมที่แม่นยําว่ายอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็รายการเรามีทั้งการอ่านพระสูตรเต็มๆในช่วงต้นของรายการโดยพระมาร์ชาคาวโร แล้วก็มีการสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะการตอบคำถามก็จะมีการนำเอาพุทธวจนะมาเป็นหลักในการที่จะตอบคำถามค่อยเรียนค่อยรู้ไปแบบเป็นธรรมชาตินะคะส่วนเรามีหนังสือที่แจกเพื่อที่จะให้ท่านมีโอกาสได้ไปใกล้ครวนพุทธวจนะของพระพุทธองค์อย่างตอนนี้แจกหนังสืออาณาปานสติจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านสอนวิธีนี้ไว้อย่างไรบางคนบอกว่าเรียนมาหลายวิธีละอยากจะเรียนตรงๆจากพระพุทธองค์เลยหนังสืออาณาปนานสติโดยพระตถาคตนะคะที่สิทธวันาปพงศ์ลำลูกกาคลองสิบได้พร้อมใจกันทำเพื่อแจกให้กับผู้ที่สนใจเราแจกให้วันละหนึ่งเล่มหมายเลขโทรศรัพท์02 269 0006ท่านที่จะส่งคาถามหรือว่าติดต่อให้ ความรู้คำแนะนำกับรายการก็มีทั้งที่เบอร์นี้ 02-269-006 และที่เว็บไซต์นะคะ worldwideweb.puredhama.com/ 1 06เลขคลื่นของสถานีนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอให้ท่านพักผ่อนกันในวันหยุดแบบได้ใช้ธรรมะไปประกอบ แม้กระทั่งวันหยุดก็มีธรรมแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตีห้าเช่นเคยนะคะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ